ธรรมบทแปลเรื่องพระอธทิมานิกะภิกษุภาคที่หเรื่องที่1 2ึเพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพวกภิกษุผู้มีความสำคัญว่าตนได้บร ร, รลุพระอรหัตผลหลายรูปพระธรรมเทศนานี้ว่า ยานิมานิอปัฏฐานิอลาปูเนวะสารเทกาโปตกานิอัตถีนิตานิทิสวานะการติเป็นตนตอนพวกภิกษุสำคัญผิดดังได้สดับมาภิกษุห้ารอยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว เข้าไปสู่ป่าภาคเพียนพยายามอยู่ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วมีความสำคัญว่ากิจบรรพชิตของพวกเราสำเร็จแล้วดังนี้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ฟุ้งขึ้นจึงกลับมาด้วยหวังว่าจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแกพระศาสดาแต่ในเวลาที่พวกเธอ ถึงซุ้มประตูชั้นนอกเท่านั้นพระาศาสดาตรัสกับพระอนุนเตรว่าอานุน์เราไม่มีกิจที่เกี่ยวด้วยภิกษุเหล่านี้ซึ่งจะเข้ามาเฝ้าภิกษุเหล่านี้จงไปป่าช้าผีดิบเสียก่อนกลับมาจากที่นั้นแล้วจึงค่อยเฝ้าเราพระอนุนเตรวาได้ไปแจ้งข้อความนั้น กภิกษุทั้ง500รูปนั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่พูดเลยว่าพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรกับด้วยป่าช้าผีดิบกลับคิดเสียว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลจะทรงเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วก็ไปสู่ป่าช้าผีดิบแล้วเมื่อเห็นศพในที่นั้นกลับได้ความเกลียดชังในซากศพ ที่เขาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันบ้างเกิดความกำหนัดในสรีระอันสดที่เขาทิ้งไว้ขณะนั้นในขณะนั้นก็รู้ว่าตนยังมีกิเลสพระาศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองทรงฉายพระรัศมีไปดุจตรยูชวานาของภิกษสุเหล่านั้นรัสบ่า ภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นความยินดีด้วยอำนาจราคะขึ้นอย่างนั้นควรแล้วหรือดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคถาสืบไปว่ากระดูกเหล่านี้ใดอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุดน้ำเท่าในฤดูศาสตร์มีสีเหมือนนกพิราบ ายินดีอะไรเล่าจะมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นบาลีว่ายานิมานิอปัปฐานิอละปูเนวะสารเถกาโปตกานิอัตตีนิตานิทิสวานะการติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอปัปฐานิ แปลว่าอันเขาทิ้งเกลื่นกลาดได้แก่อันเขาทิงแล้วคำว่าสาราเทคือในฤดูศาสตร์หมายความว่าเหมือนน้ำเต้าที่ถูกลมและได้กระทบล้นเกลื่นกลาดในที่นั้นๆในศาธการคำว่ากาโปตกานิแปลว่ามีสีเหมือนสีนกพิราบคำว่าตานิ ทิสวาณนะหมายความว่าเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นข้อนี้หมายถึงความยินดีอะไรเล่าของพวกเธอจะมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นคือเห็นบ่านั้นการทำความยินดีในการแม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่ควรเลยมิใช่หรือก่ในการจบเทสนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุราตปุตลแล้วตามที่ยืนอยู่นั่นเอง ชมช่ยพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถวายบังคมแล้วนังนี้แหละเรื่องพระอาทิมานิกะภิกษุ